เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติแล้วพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากไม่ยากเลยสวัสดีครับวันนี้มีนิทานมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วนะครับผมนะักกรคนชอบเล่าก็จะพยายามหาเรื่องราวต่างๆที่มีทั้งความสนุกบ้างมีแง่คิดบ้างมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับยังไงก็แนะนากันได้นะครับ เรื่องวันนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับความงกและความตะหนีนะครับลองฟังกันดูครับนานมาแล้วยังมีชายผู้หนึ่งเป็นคนตะหนีมากเขามีอาชีพเป็นพ่อค้าขายผลไม้อยู่ในอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งคนในเมืองนั้นต่างรู้ดีว่าพ่อค้าขายผลไม้นี้เป็นคนที่ตะหนีอย่างที่สุดเมื่อเขาทำการค้าขายผลไม้หากช่างผลไม้ได้ไม่พอดีเขาก็ถึงกับต้องใช้มีดหั่นผลไม้ออกเพื่อจะได้ช่างให้พอดี เขาไม่มีวันที่จะแถมผลไม้ให้แม้เพียงแค่หนึ่งผลแม้ว่าเมื่อช่างแล้วจะมีน้ำหนักเกินไปเพียงแค่ครึ่งขีดเท่านั้นก็ตามชายผู้นี้มีน้องสาวอยู่คนหนึ่งซึ่งแต่งงานไปแล้วอยู่ต่างเมืองวันหนึ่งลูกของน้องสาวได้เดินทางมาเยี่ยมและได้มาอาศัยอยู่ด้วยที่บ้านของเขาเป็นเวลาหลายวันหลานชายมักจะออกไปตลาดกับเขาเพื่อช่วยขายผลไม้ด้วยซึ่งลุงจอมดนีนี้ก็มักจะใช้ใ ห, หลานคอยยกคอยแบกลังผลไม้หนัก มากกว่าที่จะช่วยให้ช่างผลไม้ขายหรือรับเงินทอนแต่อย่างใดด้วยเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ไว้วางใจผู้ใดทั้งสิน้นเย็นวันหนึ่งหลังจากที่เก็บแผงผลไม้กลับจากตลาดขณะเดินทางกลับบ้านลุงจอมตะนีกับหลานชายก็เดินผ่านมาพบขอทานชราผู้หนึ่งซึ่งนั่งอยู่ริมทางเดินพรางเอ่ยร้องอย่างน่าสงสารว่าขอเงินสักหน่อยเถอะฉันไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วฉันจะเปล้มอยู่แล้ว ขอเงินในฉันสักเล็กน้อยเถอะผู้ใจบุญลุงจอมตะนีเดินผ่านขอทานผู้นั้นโดยแทบไม่หันไปมองด้วยซ้ําแต่ถ้ว่าผู้เป็นหลานนั้นรู้สึกเวทนาจึงร้องเรียกลุงว่าเดี๋ยวก่อนครับลุงราะผมสักครู่ว่าแล้วผู้เป็นหลานก็ควักเหรียญเงิน2อสามเหรียญให้แก่ชายขอทานผู้นั้นฝ่ายลุงจอมตะหีก็รู้สึกเสียหน้าเกรงว่าจะถูกมองว่าเป็นคนใจไม้ไสร้กระดมแม้อยากคิดที่จะให้ทานบ้างเพื่อแก้ไอแต่ก็ไม่อยากจะควักเงินของตน ลุงจอมตะนีจึงเอ่ยถามหลานว่าหลานเอ้ยเจ้ามีเหเรียญสักห้าเหรียญไหมละ่ะให้ลุงยืมหน่อยสิได้สิครับลุงผมเหลืออยู่ห้าเหรียญพอดีเลยผู้เป็นหลานว่าแล้วก็ส่งเงินให้ลุงจอมตะหนีผู้เป็นลุงจึงโยนเสียเงินเหล่านั้นให้ใชายผู้ขอทานยากไร้หลังจากนั้นสองถึงสวันชายจอมตะหนีก็มิ ม, มีวี่แววจะคืนเงินให้แก่ผู้เป็นหลานเลยฝ่ายผู้เป็นหลานนั้นก็ได้ตัดสินใจว่าควรจะทวงเงินจากผู้เป็นลุง เพราะว่าตั้งแต่เขาเข้ามาเยี่ยมและพักอยู่กับบ้านลุงจอมตะนีของเขาแล้วเขาแทบไม่ได้กินอาหารอิ่มดนำสําราญเลยสักมือ้อเพราะลุงจอมตะนีจ่ายเขากินแต่น้ําแกงซึ่งมีแค่หัวหอมเท่านั้นไม่มีมันฝรั่งไม่มีเนื้อเมื่อเขากินไม่อิ่มเขาจึงต้องใช้เงินที่ปกติดตัวไปหาซื้ออาหารมากินเองในตลาดลุงจอมตระนีก็เช่นกันผู้เป็นหลานรู้ดีว่าเพื่อลุงจอมตะนีใช้ทําซุปหม้อใหญ่โดยใส่หัวหอมแต่เพียงอย่างเดียวทุกวันก็เพราะอยากจะประหยัด ไม่อยากให้หลานกินเนื้อสัตว์หรือมันฝรั่งเป็นที่ฟุ่มเฟือยหรือเพราะเรืองเงินของตนเมื่อให้หลานกินในซุปผัวหอมตนเองก็ทําทีเป็นกินด้วยสักถ้วยหนึ่งแล้วเมื่อตนใชให้หลานเข้าไปหาผลไม้ในป่ามาขายตนก็จะเข้าครัวเอาเนื้อสัตว์และมันฝรั่งมาปรุงอาหารกินคนเดียวจนอิ่มหนำสําราญคุณลุงครับผมไม่มีเงินเลยผมอยากจะขอเงินห้าเหรียญที่ลุงยืมไปคืนขอรับลุงจอมตะนิได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกไม่พอใจทําทีเป็นโบกไม้บกมือปัดไปว่า เินแค่ห่าวเหรียญนั่นเลยเอาไว้วันหลังเถอะวันนี้ลุงไม่ได้พกเศษเงินเลยสักนิดถ้าลุงให้ธนาบัตรหรือแบงค์เจ้าไปเจ้าก็ไม่มีทอนเป็นแน่จริงไมหมล่ะหลานและแล้วหลังจากนั้นลุงก็บอกปัดไปเช่นเดิมอีกเมื่อหลานทวงเงินคืนทุกครั้งแต่หลานก็ไม่ย่อท้อเอ่ยปากทวงเงินลุงจอมตระหนีทุกวันด้วยหวังว่าให้ลุงรู้สึกลำคาญและจะได้รีบใช้เงินคืนตนเสียทีเพราะมันเป็นจนํานวนเงินเพียงเล็กน้อยมากวันหนึ่ง ลุงจอมตระรีก็รู้สึกรำคานใจหลานและอยากให้หลานกลับไปอยู่บ้านของน้องสาวของตนที่ต่างเมืองลุงจอมตระณีจึงคิดอุบายขึ้นมาประการหนึ่งและตอนเย็นวันหนึ่งหลังจากกลับมาจากตลาดแล้วหลานชายก็เข้าครัวเพื่อลงมือทําซุปผัวหอมไปอย่างที่เคยเมื่อออกมาจากครัวแล้วหลานชายก็พบว่าลุงจอมตระรีกําลังนอนแผ่ลาอยู่กลางบ้านหลานชายตกใจมากรีบสุดลงไปประคองลุงครับลุงครับลุงเป็นอะไรเดือครับลุงเป็นโรคหัวใจมานานแล้ว สงสัยว่าหัวใจใลุงจะวายลาก่อนนหลานรักเจ้าจงกลับไปอยู่กับแม่ของเจ้าซะเถอะว่าแล้วลุงจอมตะนีก็แก้งตายแต่ทว่าผู้เป็นหลานนั้นฉลาดพอที่จะรู้ว่าลุงแกล้งทําอุบายลุงจอมตระนีต้องจบใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อรู้สึกตัวอีกทีว่าหลานชายของตนได้อุ้มตนลงไปใส่ในโลงศพและก็ชวนเพื่อนบ้านอีกสองคนมาแบกเพื่อจะไปโบสขอบคุณครับคุณนาคุณอากระผมจะเฝ้าศพของลุงผมที่นี่ตุนเช้า เมื่อทำพิธีเสร็จกระผมจึงจะกลับไปยังเมืองของผมครับเป็นการคิดผิดโดยแท้เพราะลุงจอมตระหนีนั้นนึกว่าคนอื่นจะเหมือนตนหากว่าตนแกล้งตายแล้วหลานชายก็คงจะจากไปเสียโดยเร็วลุงจอมตระหนีไม่คิดเลยว่าหลานชายจะมีกระใจอยู่ดูแลจัดงานศพให้เรียบร้อยเสีย ก, ก่อนลุงจอมตระหนีจึงจําใจนอนทนนิ่งๆอยู่ในโรงศพแคบและมีอากาศหายใจเพียงน้อยนิดปรากฏว่าดึกคืนนั้นได้มีหัวขโมย2อถึงสคน ปรากฏตัวขึ้นในโบสท่ามกลางความมืดมิดขโมยกลุ่มนั้นไม่รู้ว่าหลานชายนอนเฝ้าลุงจอมตระนีอยู่ที่บุมโบสพวกมันจัดการแบ่งทรัพย์สมบัติที่ขโมยมาได้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแก้วแหวนเงินทองที่มีค่าทั้งนั้นเมื่อแบ่งกันเสร็จสับเรียบร้อยเป็นสากองแล้วก็ปรากฏว่าเหลือดาบโบราณเล่มหนึ่งซึ่งมีเพชรนินจินตาประดับประดาที่ปลอกดาบและที่ด้ามของดาบนั้นก็ทําด้วยทองคําอันบริสุทธิ์อีกด้วยบรรดาหัวขโมยทั้งสา พากันแย่งกันเพื่อจะเป็นเจ้าของดาบทองคําเล่นนั้นแต่ก็ตกลงกันไม่ได้เพราะต่างคนก็อยากครอบครองดาบทองคํากันทั้งนั้นหลานชายของคนขายผลไม้ได้ฟังเช่นนั้นจึงคิดอุบายขึ้นมาอย่างหนึง่งเขาจุดตะเกียงขึ้นมาแล้วก็กล่าวกับขโมยทั้งสามว่านี่นะพี่ชายทั้ง3อย่าว่าฉันก้าวไายเลยนะในเมื่อพี่ชายไม่สามารถจะตกลงกันได้ฉันมีข้อเสนอให้ข้อหนึง่งไม่รู้ว่าพี่จะสนใจหรือไม่ขโมยทั้งสตกใจนักที่เห็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งอยู่ในโบสถด้วย แต่ก็เอ่ยปากถามไปว่าข้อเสนออะไรล่ะเจ้าหนูหลานชายเรียกขโมยทั้งสา ม, มาดูที่หลงศพพลางเปิดฝาหลงออกแล้วเอ่ยขึ้นว่าศพนี้เป็นศพของลุงฉันซึ่งเป็นชายที่จอมตะหนีมากเขาติดเงินฉันอยู่แต่ไม่ยอมใช้ฉันแม้เขาจะตายไปแล้วแต่ฉันก็ยังแค้นนักเอาอย่างนี้ละกันหากพี่คนใดกล้าเอาดาบเล่นนั้นตัดหัวของลุงฉันได้คนผู้นั้นจะเป็นผู้กล้าที่ได้ครอบครองดาบอันมีค่าเล่มนั้นดีไหมจ๊ะ ขโมยทั้งสามเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็หันไม่มองตากันเพราะต่างรู้ดีกันว่าการตัดหัวศพนั้นเป็นเรื่องน่ากลัวอาจจะทําให้วิญญาณของศพนั้นอาฆาตและก็ตามไปหลอกหลอนหรือทําให้มีอันเป็นไปก็เป็นได้ดังนั้นคนที่จะกล้าตัดหัวศพได้จะต้องเป็นคนที่ใจกล้าจริงๆและสมควรที่จะได้ครอบครองดาบทองคําที่มีปลอกประดับเพชรพลอยเล่มนั้นในที่สุดขโมยผู้หนึ่งก็เอ่ยปากขึ้นว่าเอาละเอาละฉันจะเป็นคนตัดหัวศพนี้เอง ฝ่ายลุงจอมตระณีทันทีที่ได้ฟังประโยคนั้นก็ตกใจแทบสิ้นสติรีบขุดลูกขึ้นมานั่งด้วยท่าทีที่หวาดกลัวว่าจะถูกตัดหัวขโมยทั้งสามเมื่อเห็นศพลูกพูดขึ้นมานั่งทำตาเหลือกตาโปะกพรงไปมาก็ตกใจรีบวิ่งหนีออกจากโบสถไปทันทีด้วยความหวัดหวันขวัญเสียฝ่ายหลานชายได้แต่หัวเราะชอบใจแล้วก็เอ่ยกับลุงจอมตระนีว่ามาเถอะลุงเอ้ยเรามาแบ่งสมบัติกันว่าแต่จะต้องแบ่งเป็นจำนวน60สิกับสีินะ ผมจะได้ส่วนมากส่วนลุงก็เอาส่วนที่น้อยไปลุงจอมตะนี่จึงยอมรับเงื่อนไขนั้นทุกประการด้วยความละอายใจและไม่กล้าโต้แยง้งใดๆในเงื่อนไขนั้นวันต่อมาเมื่อหลานชายจะร่ำลาลุงกลับไปยังเมืองของตนหลานชายก็ได้เอ่ยขึ้นว่าคุณลุงขอรับคราวนี้คุณลุงจะร่ำรวยมีเงินทองมากมายแล้วคุณลุงคงจะยอมคืนเงินสักห้าเหรียญให้แก่ผมได้แล้วสิครับโธ่หลานรักเอ้ยเจ้าก็เห็นอยู่แล้วเดีว๋ว่า ลุงไดพกแต่ธนบัตรลุงไม่ได้พกเสเหรียนเงินเลยเอาไว้วันหลังก็แล้วกันนะลุงจอมตะหนีก็บกไม้บกมือให้หลานอีกครั้งผู้เป็นหลานจึงได้แต่ยิ้มและสายหน้าอย่างละอาใจก่อนจะล่ําลาจากลุงไปอย่างรู้ดีว่าคงไม่มีวันได้เงินคืนแน่ตลอดชาตินี้นี่ก็เป็นนิทานน่ารักนรักระหว่างลุงจอมตะหนีกับหลานผู้มีปัญญานะครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับความบันเทิงนะครับไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดติดตามนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ